ทานเนี่ยมันคืออะไรความหมายของทานเป็นอย่างไรลักษณะของทานเป็นอย่างไรอะไรทานเนี่ยมีกิจอย่างไรอาการปรากฏของทานเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้ให้เกิดการให้ทานแล้วทานเนี่ยจะเศร้าหมองเพราะอะไรทานเนี่ยจะผ่องแผ้วเพราะอะไรแล้วการให้ทานนั้นวัตถุทานมีกี่ประเภทอย่างไรชื่อว่าให้วัตถุภายนอก อย่างไรชื่อว่าให้อวัยวะภายในอย่างไรชื่อว่าให้ชีวิตเนี่ยนะให้แล้วเนี่ยมีอะไรอ่าก่อนให้คิดยังไงกําลังให้คิดยังไงให้เสร็จแล้วเนี่ยคิดยังไงแล้วคันนี้เมื่อให้แบบนี้แล้วผลแห่งการให้เป็นอย่างไรที่เรียกว่าผลกําไรอันิสง์ที่เกิดจากการให้ให้แล้วดีอย่างไงถ้าไม่ให้แล้วสูญเสียอย่างไรอย่างนโทษของการไม่ให้ทานถ้าให้ทานแล้วดีอย่างไร ให้ทานด้วยและวิจัยเรื่องทานด้วยอันนี้หมายความว่าต้องให้ควรคิดได้เองหมดแล้วต้องคิดไม่ใช่ว่าคิดหาของมาให้ด้วยนะไม่ใช่มีของให้ให้แล้วเอาเอาให้ให้ให้ไปมีต้องคิดหาของมาให้อย่างเช่นจะให้ข้าวมามาให้ทานต้องหาข้าววางแผนว่าทำยังไงจึงจะมีข้าวมาให้ทานจะให้น้ำเป็นทานเนี่ยวางแผนว่าทำยังไงจึงจะมีน้า เป็นฐานถ้าจะให้ผ้าเป็นฐานเนี่ยจะหาผ้ามาจากไหนแล้วจะมีผ้ามาได้อย่างไรจึงจะมาให้ฐานผ้าเนี Steve ่ยนะแล้วถ้าจะให้ที่อยู่อาศัยเป็นฐานเนี่ยจะสร้างที่อยู่อาศัยให้สำเร็จได้อย่างไรอ น, น, นสร้างไปอย่างไรจึงจะให้ที่อยู่อาศัยเป็นฐานได้เนี่ยนะแล้วถ้าหากว่าให้ยาทั้งหลายให้ยารักษาโรควิจัยเลือกเฟ้นหายากว่าจะมียาแล้วเอายาเหล่านั้นมาให้ทาน เรียกว่าแสวงหาวัตถุทานกว่าจะให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จแล้วเนี่ยใจจะคิดอย่างไรก่อนจะให้กําลังให้คิดอย่างไรให้เสร็จแล้วคิดอย่างไรแล้วรู้ด้วยว่า uh, อา น, นิสงส์แห่งการให้เป็นอย่างไรผลกำไรที่เกิดจากการให้ดีอย่างไรอย่างไรชื่อว่ามีผลมากอย่างไรชื่อว่ามีอานิสงส์มากถ้าให้แค่นี้ได้ผลระดับนี้ถ้าให้ระดับนั้นได้ผลเท่านั้นให้ทานแบบนี้เกิดเป็นมนุษย์ได้ ให้ทานแบบนี้เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุ่มได้ให้ทานคิดแบบนี้เป็นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมิตาวสวสดีได้ให้ทานแบบนี้รองรับเจริญะจะรักษาศีลได้ให้ทานแบบเนี้ยรองรับการเจริญพรหมมิหารได้ท่านใขข้ควรวิธีรายละเอียดในการให้ทานทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ถามว่าไอ้ให้ทานเนี่ยนะอุปสรรคมันเยอะไหมกว่าจะให้ได้เนี่ยนะ คนที่ที่เดยกวัดถ้าไม่ให้เป็นงานเป็นการไม่ให้เป็นอาชีพไม่ยากเจอหน้าควักให้เลยถ้าอย่างเงี้ยนะบาทสองบาทก็ว่ากันไปเนี่ยจะเลี้ยงข้าวใครสักมื้อหนึ่งเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าจะทำเป็นกิจกรรมเป็นธุรกรรมเลยเนี่ยนะเป็นกิจธุระเลยเนี่ยอันนี้เรื่องเยอะเลยนะก็คิดดูนะถ้าเราหาอาหารหาปัจจัย4ี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวสองคนสามคนเนี่ยง่ายไหมล่ะ สอสามคนหรือเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเลี้ยงครอบครัวแล้วอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะแล้วปัญหาว่าพวกที่เลี้ยงเลี้ยงครอบครัวใหญ่อะ่ะสิบยี่ครอบครัวคนนี้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวเนี่ยนะหรือเป็นร้อยครอบครัวเป็นพันครอบครัวเป็นหมื่นครอบครัวหรือเลี้ยงชาติเลี้ยงประเทศชาติเนี่ยนะกว่าจะคิดวิธีการว่าทําอย่างไรปัจจัย4ของประชาราจะบริบูรณ์พูนสุขอย่าลืมว่าผู้ให้ทานเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้ให้ทานบางชาติดํารงอยู่ในฐานะทุกขะะ คิดให้ทานเนี่ยทุกขตาจะให้ทานระดับมีฐานะปานกลางถ้ามีฐานะปานกลางต้องให้อะไรถ้าเป็นมหาเศรษฐีจะให้ทานอะไรถ้าอยู่ในฐานะผู้มีวิชาทรงคุณวุฒิเนี่ยนะให้ทานได้ยังไงโดยที่สุดแม้แต่เป็นเดรชานให้ทานอะไรได้บ้างเนี่ยนะถ้าตัวเองเป็นกระต่ายให้ทานอะไรได้บ้างถ้าเป็นช้างจะให้ทานอะไรได้บ้างเป็นลิงจะให้ทานอะไรได้บ้างนะ พันธุ์พวกนี้จึงคิดวิธีการให้ฐานแล้วตัวเองต้องไปอยู่ในฐานะนั้นๆแล้วคนคิดวิธีการให้ฐานมันพวกนี้เป็นเรื่องของใช้การใช้ใช้ปัญญาที่เรียกว่าพหูสูตรเนี่ยนะความเป็นพหูสูตรเนี่ยแรงมากเลยนะเพราะว่าอย่างคนที่มีเจออุปสรรคในการให้ฐานโดยมากเลิกเลยก็เหมือนกับคนเดินทางไนงะพอไปถึงทางตันหน่อยหนึ่งหรือไปถึงทางที่มันมีปัญหาหน่อยถอยถอยถอยกลับกลับกลับเลิกเหระแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่นะ มองคิดว่ามองเห็นท้องฟ้าแจ่มใสยอยู่ข้างหน้าพวกนี้กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเลยนะบอกว่าเมื่อเป็นพระผูทธเจ้าแล้วท้องฟ้าแจ่มใสหมดแน่นอนเพราะคิดว่าภาคเพียนพยายามบากบัน่นอย่างมั่นคงประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้แต่ถ้าไม่ใครควรมากๆในเรื่องการให้ทานเชื่ออะยังไงก็เลิกหนึ่งสงสยัยเอ๊ะมันเป็นบุญจริงหรือเปล่าที่เราทำเนี่ยนะสองของที่ให้เนี่ยเสียเปล่ามาั้ง คนที่รับดีจริงหรือเปล่าเออแล้วทําทั้งหมดมันจะมีบุญให้ผลมั้งหรือเปล่านาะถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องไครครวนพิจารณาเนี่ยนะเป็นเครื่องหักห้ามอกุศลที่อยู่ในภายในถ้าไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนจริงๆเนี่ยอุปสรรคมันเยอะบางทีของก็มีผู้รับก็มีแต่แม้ใจมันชักไม่อยากให้ละบางทีเนี่ยใจอยากจะให้มีแต่ของเริ่มไม่มีบางทีใจเนี่ยมีของมีไม่มีคนรับอีก แล้วไอ้บางทีก็คนรับไม่ถูกใจอีกบางทีงแหมมันน่าจะมีคนรับดีกว่านี้อีกนะมันอันนี้จะต้องฉลาดคิดมากการยังไงที่จะห้ามไม่ให้ติดในวัตถุที่จะให้คิดยังไงจะไม่โกรธผู้รับแล้วทำยังไงจึงจะรู้ผลอ น, นิสงของการให้เพราะฉะนั้นจนกว่าจะเรียกว่าให้แล้วบอกว่าถ้าผู้ที่รู้ผลอันนิสงอย่างเช่นที่เรารู้เนี่ยนะถ้าเขาไม่ได้ให้ทานก่อนจะไม่บริโภค แต่พระองค์ก็รู้เลยว่าการให้ทานเสมอด้วยการรบว่างั้นน่ะนะให้อ่ายากมากเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยนะถ้าให้เล็กให้น้อยมันก็สงครามน้อยๆอ่ะนะแต่ถ้าให้ใหญ่ให้เยอะให้มากเนี่ยโอ้ยิ่งกว่าสงครามใหญ่เพราะพวกนี้ต้องวางแผนรอบด้านเลยจึงจะให้ให้แล้วให้อย่างประสบความสําเร็จให้แล้วรักษาใจได้เนี่ยนะหมายความว่าให้เสร็จแล้วก็ตั้งตามรักษาใจรักษาบุญกุศลของตัวเองต่อต่อไปใน อนาคตเนี่ยนะถึงความปราบลื้มใจได้และการให้เนี่ยมีผลอย่างไรมีอนิสงส์อย่างไรในท่านเหล่านี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านวิจัยใคร่ควรวนมากท่านจึงบอกสอนให้ผู้อื่นให้ทานดงั้นพระโพธิธศาสนาสอนเรื่องการให้ทานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะสอนเรื่องการให้ทานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีวิธีคิดในเรื่องการให้ทานที่วิจิตพิสดารที่สุด เนี่ยนะพันก็ไม่ได้ว่าให้ทื่อๆอะไรหรอกเขาพิจิตพิสดารมากถามว่าดูจากอะไรดูจากเครื่องสิ่งที่ไปสักการะพระองค์ถ้าพระองค์ไม่เคยทําเหตุมากสิ่งสักการะทั้งหลายไม่มีหรอกก็ดูว่าถ้าพระองค์ไม่ทํามาเยอะจริงไม่มากจริงไม่ดีจริงเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะพันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมากแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกับผ่านจากการไข่ครควญครอบคอบและที่สําคัญเนี่ยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ให้ทานน่าจะช่วยใครได้บ้างอ๋อ อย่างคนที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยนะจริงอยู่ถึงจะรู้เนี่ยนะถ้าไม่คนที่จะช่วยคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีบุญแล้วก็มีปัญญามีแต่ปัญญาถ้าไม่มีบุญก็ช่วยใครไม่ได้ถ้ามีแต่บุญถ้าขาดปัญญาช่วยไม่ได้จริงๆอะ่ะปัญญาก็อยู่ในบุญแต่พิเศษมากปัญญาเนี่ยนะปัญญานี่คัญมากปัญญาจึงเป็นเครื่องใคร่ครวนในการ ให้ทานจึงรู้ว่าอย่างไงเป็นปาติปกติกทานอย่างไรเป็นสังฆทานเนี่ยนะจัดเป็นหมวดหมู่จําแนกแยกแยะให้ครัวนในเรื่องการให้ทานแล้วก็สามารถให้ทานโดยที่เรียกว่าใจที่ตรนีนับว่าน้อยมากเลยเนี่ยนะเพื่อโพธิสัตว์ที่จะใจตรณีเนี่ยนะน้อยมากมีอยู่แค่รู้สึกบางบางชาติอ่ะนะก็มีเหมือนกันเนี่ยพี่สะพายเนี่ยเอาเอาอาหารของตัวเองไปถวายทานแทน หมันไส้พี่สะพยมากเลยของตัวทําไมไม่ให้เรามาเอาของฉันให้ทานทําไมพี่จริงอาจจะมีเรื่องต ง, งิางหงิดใจบางเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมมันนึกมันใส่คนที่ให้ทานไปเลยเนี่ยนะอันนั้นก็มีเพราะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยเราต้องไข้ครวนเป็นอย่างมากคนที่พิจารณาได้มากเท่าใดบุคคลเหล่านั้นจึงจะให้ทานเพราะเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องการให้ทานพวกนี้จึงมีความสุขในการ ให้ทานเพราะพูดถึงเรื่องทานเมื่อไหร่ยิ้มแป้เลยเนี่ยนะมีความสุขมากเพราะทานนั้นเป็นจากกะเจตนาเพราะพวกนี้สมบูรณ์ด้วยจารกะเจตนาเนี่ยนะใจเนี่ยน้อมไปจะจะให้เนี่ยนะคิดอย่างไรเขาจะได้มีความสุขเพราะความที่คิดให้วัตถุนั่นแหละจึงน้อมไปคิดให้อภัยเนี่ยนะพันคนอย่างอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยไอความที่ท่านเป็นนักให้เนี่ยไม่ใช่ให้เพื่อตอบสนอง ตอบสนองอะไรนะตอบส น, นองความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่ให้เพื่อเสริมที่เรียกว่าอะไรนะเสริมเสริมอะไรนะภาษาสมัยใหม่ก็ใช้คําว่าเสริมบารมีแต่ที่จริงอ่ะพูดให้ตรงคำํำแค่ว่าเสริมอํานาจให้เพื่อเสริมอํานาจมาดูว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนมีให้ฉันมีให้ก็แล้วกันเพราะฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ท่านไม่คิดแบบนั้นท่านให้เพื่อทุกคนเลี้ยงตัวเองได้เป็นการให้ชนิดที่เรียกว่าประกอบด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นให้ทั้งอะไรให้อาชีพให้ศิลปะให้ฐานะให้ความรู้ให้การศึกษาเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าสาัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนขาดแคลนในเรื่องปัจจัย4ให้การศึกษาอย่างไรเขาจึงจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4ี่เขาเดือดร้อนในเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะใหความรู้ความเข้าใจยอย่างไรต่อไปบุคคลเหล่านั้นจึงจะไม่ เดือดร้อนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มเป็นตน้นเขาเดือดร้อนนื่องที่อยู่อาศัยจะช่วยให้เขาบริบูรณ์ด้วยที่อยู่อาศัยได้อย่างไรถ้าเขาเดือดร้อนในเรื่องอยาทั้งหลายจะช่วยเขาบริบูรณ์ด้วยยาได้อย่างไรเขาสามารถประกอบอยาเองได้อย่างไรปรุงยาเองได้อย่างไรถ้าเขาเนี่ยเดือดร้อนเรื่องอาหารจะทํำยังไงให้เขามีอาหารสแสวงหาอาหารเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยนะไม่ใช่แม้เขาต้องมาแบ่มือเราอยู่ร่ําไปลักษณะนั้นเนี่ยนะ อย่างบุคคลที่เป็นพ่อแม่ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่คิดแม่ลูกจะต้องเบิกทุกครั้งเนี่ยนะไม่ทํำยังไงโดยที่ว่าตัวเองไม่อยู่ลูกก็ยังเจริญต่อต่อไปได้เป็นนักให้ชนิดนั้นให้ทั้งมนุษย์สมบัติว่างั้นแหะให้ทั้งสวรรค์สมบัติแล้วก็ให้ทั้งนิพพานสมบัติให้โสดาปฏิมักให้โสดาปฏิผลสกธาคามิมักสกธาคามิมณสกธาคามิผลให้อนาคามิมักให้อนาคามิผลให้อรหัตมัก ให้อรหัตผลเนี่ยนะถามว่าตอนที่ท่านคิดให้ตอนนั้น่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกเรื่องแล้วใช่ไหมบอกไม่ท่านก็ยังมีรา ค, าเนคนะเหมือนคนอื่นก็ยังมีโทสะเหมือนคนอื่นยังมีโมหะเหมือนคนอื่นยังมีอกุศลและเจตนาคล้ายๆคนอื่นแต่คิดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะใจของท่านน้อมไปเพื่อจะให้อะไรก็ได้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบรรไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยนะพอให้เสร็จแล้วก็ด่ากลับมาจะว่าไงเอา้าเอ้าบางคนเนี่ยนะเวลาเราให้ของไม่ใช่จะขอบคุณไปหมดนะอา้าวทำไมไม่ให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอนีอ่มันจะเริ่มกระเถอบแบบนั้นใช่ไหมแหมแต่เขาให้กับบุญหนักหนาะไม่ชอบไปคิดแบบนี้นะทำไมให้เราของไม่ดีไอ้ธรรมนั้นคนนั้นนะดีกว่าของเราเนี่ยนะอย่างที่เขามีเรื่องอะไรนะ ให้ของสองชิ้นอีกคนหนึ่งของดีกว่าอีกคนหนึ่งได้ของที่ไม่ดีก็เลยโกรธคนให้เลยไอ้คนให้ไม่จริงใจแน่นอนให้ของไม่ดีแกเรานั่นนะคิดไปอย่างนั้นเพราะผู้ที่ได้รับของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเนี่ยนะแล้วก็เรื่องมากผู้รับก็เรื่องมากเนี่ยนะไนอะ้คนให้ใจก็มีกิเลสั้นถ้าไม่ชัดเจนในกรรมและผลของกรรมไม่ผ่านการไข่ค ร, ครวนไม่พิจารณาอย่างละเอียดที่ท่วนจริงๆอะ่ะยากเนี่ยนะนะ ยากที่จะทําได้เพราะฉะนั้นหนทางของบัณฑิตทั้งหลายแม้แต่ปุถุชนยังคิดตามยากหรือคนผ่านทั้งหลายคิดตามได้ยากแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาคิดได้นะและไอ้คิดได้อย่างนั้นก็ไม่สําคัญสําคัญที่ว่ารักษาแนวความคิดนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ยากกว่านะไอคคะไงไง้ความคิดจะให้เนี่ยง่ายไหมแม้ก็ยากแต่ถามว่าทำยังไงความคิดจะให้เนี่ยมันเกิดมากเหมือนคลื่นในทะเล ใจที่คิดจะให้คลื่นแล้วคลื่นเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าอะ่ะทั้งทะเลถามว่าคลื่นมีเท่าไหร่ใจของคนที่คิดจะให้เนี่ยนะถ้าหนึ่งชาวนะเท่ากับหนึ่งคลื่นกิจกรรมในการให้ทานหนึ่งครั้งเท่ากับคลื่นที่มันโผล่ขึ้นมางบหนึ่งปูบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะก็แรงความคิดที่อธิษฐานเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะแต่เท่ากับคลื่นแต่ละลูกเลยนะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเจตนาที่พระองค์คิดให้ทานเนี่ยนะ น้อมไปในการให้ทานมากกว่าคลื่นในทะเลที่เรียกว่าคลื่นในทะเลทั้งกลับเนี่ยนะก็ไม่ได้มากเท่าเจตนาที่คิดให้ทานรวมทุกภพทุกชาติ ite, เพราะเจตนาที่คิดให้ทานนั้นไม่งั้ น, นจะแทงตลอดโล ก, กุตระธรรมแล้วชักจูงให้ผู้อื่นได้บรรลุโล ก, กุตระธรรมได้อย่างไรเพราะเจตนาที่น้อมไปเพื่อการให้จึงยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่ยนะแล้วก็ให้ให้ชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะ ไม่พะนั้นไข้ครควรละเอียดมากว่ะนะอันนี้เป็นความเป็นพหูสูตรของท่านและอย่างที่สองเลยเนี่ยนะท่านพิจารณาในเรื่องศีลเนี่ยนะซึ่งเป็นทางเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดําเนินเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณารายละเอียดเรื่องของศีลท่านรอบรู้เรื่องของศีลเป็นอย่างดีว่าอะไรคือศีลเนี่ยนะศีลมีความหมายมีลักษณะอย่างไรเนื้อหาสาระอัตถะที่แท้จริงของศีลอะ คืออะไรความต้องการของศีลแท้ๆคืออะไรเจตนารม์ของศีลน่ะจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วศีลมีหน้าที่อย่างไรศีลผลปรากฏของคนมีศีลอ่ะเป็นอย่างไรแล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ให้ได้รักษาศีลเพราะศีลก็เป็นสังขารธรรมศีลก็มาจากปัจจัยแล้วปัจจัยอะไรทําให้รักษาศีลรักษาศีลแล้วมีคูณานิสงมีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่รักษาศีลตรงกันข้ามกับศีลมีโทษเสียหายสูญเสีย นำมาเสื่งความเดือดร้อนลำบากอย่างไรเนี่ ย, ยแล้วก็ศีลเหล่านี้เนี่ยนะผู้ที่รักษารักษาอย่างไง ร, รักษาแมเศร้าหมองมากเป็นหานะภาคยะรักษาแบบแม้รอวันเจ้งนะรักษาแบบรอวันเลิกรักษายังไงเสมอตัวรักษาอย่างไาางไพอกภูมิเพิ่มภูนขึ้นอย่างไงแล้วศีลอย่างไรเป็นบาทของการบรรลุมรรคผลแยกแยะอะไรเป็นความเศร้าหมองของศีล เรียกว่าเป็นทองคําที่เจือปนนะนะสีนี่เปรียบเหมือนทองคําทองคําเจือปนหรือไม่เจือปนบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ผ่านการหลอมมาแล้วเป็นอย่างดีหรือเปล่าหรือยังไม่ผ่านการ หล่อหลอมมาเป็นอย่างดีเขาวินิจฉัย ใ, ใครค่ครวญจำแนกประเภทแห่งศีลโดยนัยะต่างๆโดยแงย่มุมต่างๆศีลข้อนี้ให้ผลอย่างนี้ศีลเหล่านี้นําผลปัจจุบันเป็นอย่างไรศีลเหล่านี้มีผลต่อสมาธิศีลเนี่ยมีผลต่อสมาธิคือเนคขมมะอย่างไรศีลมีผลต่อปัญญาอย่างไรศีลมีผลต่อวิริยะอย่างไรศีลมีผลต่อขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแลย อุเบกขาได้อย่างไรเนี่ ย, เ, ยเมื่อตัวเองจะรักษาศีลรักษาอย่างไงให้ต่อเนื่องอย่างเช่นรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปาณาติบาตต้องรักษาเจตนา r ม m ว่าละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางศาสตราวางอาทยามีใจมีตาเอื้อประโยชน์หวังเกื้อกูลต่อสัตว์ประสาทอยู่ตลอดเป็นนิด ในท่ามกลางคนเขาเข็นฆ่ากันนะต้องรักษาเจตนารมอย่างนี้ตลอดไปเผอไปฆ่าเขาแล้วต้องตังเห็นว่าเป็นโทษนะแล้วมารักษาเจตนาเหล่านี้ต่อไปเนี่ยนะ